ตอนที่36ได้ประโยชน์จากหลุมศพทั้งสองผู้อํานวยการเจ้าล้อเล่นแล้วค้านี่เป็นเรื่องของเตอ๋อชางคนในบ้านชั้นๆถึงเขียนออกมาได้หากเป็นคนอื่นฉันคงไม่รู้จะเริ่มลงปากกาตรงไหนเหมือนกันคําอธิบายของซูมานอินไม่อาจทําให้คนเชื่อถือได้นะักแต่สคริปต์นี้ดูเป็นมืออาชีพมากเลยนะแม้เจ้าเฉียนจะไม่ได้ทํางานในสถานีโทรทัศน์แต่เขาก็เคยเห็นวิดีโอประชาสัมพันธ์ที่ผ่านการตรวจสอบมาบ้างมองปแปดเดียวก็รู้ว่าสคริปต์นี้เขียนขึ้นอย่างมืออาชีพมาก สหายซูจบจากมหาวิทยาลัยไหนหรือครับสูมานอินกําลังลังเลแต่โจวเวยหมินที่อยู่ข้างๆกลับชิงตอบขึ้นมาก่อนแม่เล็กของผมจบจากมหาวิทยาลายัยเอชวิชาเอกสื่อสารมวลชนครับสูมานอินชะงักไปครู่หนึ่งนึกไม่ถึงว่าเจ้าของร่างเดิมจะเรียนสื่อสารมวลชนเหมือนกันคราวนี้จเจ้าเฉียนเริ่มเกิดความสนใจขึ้นมาจริงๆ มหาวิทยาลัยเอชหรือครับนั่นนะ่ะมหาวิทยาลัยระดับประเทศเลยนะอย่าว่าแต่ในสำนักงานเขตเลยต่อให้เป็นในอำเภอไห่เฉิงก็ยังมีนักศึกษาจบใหม่ไม่กี่คนเองไอหยาสหายซูโรงงานทอผ้ายังเก็บตำแหน่งงานไว้ให้คุณอยู่นะผู้อำนวยการอย่างไม่ยอมน้อยหน้าตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกเสียใจขึ้นมาบ้างแล้วว่าทาไมตอนนั้นเขาถึงไม่ยืนกรานให้มากกว่านี้แล้วให้ซูมา่านอิงเข้าทางานที่โรงงานทอผ้าไปเลย มีน่าละถึงได้เสนอไอเดียดีๆแบบนั้นออกมาได้ที่แท้ก็เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแถมยังมาจากมหาวิทยาลัยเอชอีกด้วยโจเตอชางไปทําบุญด้วยอะไรมานะถึงได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้ผู้อํานวยการครับผมนึกออกแล้วเหมือนซูมานอินจะยังเรียนไม่จบก็ลาออกเสียก่อนฟางเชียนเพิ่งจะนึกขึ้นได้ตอนที่เขาจัดระเบียบข้อมูลครอบครัวพนักงานโจเตอชางเคยเขียนไว้ว่าซูมานอินเคยเรียนมหาวิทยาลัยแต่หลังจากนั้นก็ขีดค่าทิ้งไป เขาเคยถามดูเห็นบอกว่าที่บ้านเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นมาเสียก่อนเลยเรียนไม่จบต้องลาออกไปเมื่อได้ยินเช่นนี้ผู้อํานวยการอย่างนอกจะจะไม่รังเกียจแล้วเขายังรู้สึกเสียดายแทนอีกด้วยมหาวิทยาลัยเอชเชียร์นั้น์นะัมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศคนที่สอบติดได้คะแนนต้องยอดเยี่ยมมากแนๆ่ๆแต่กลับต้องลาออกเพราะปัญหาทางบ้านช่าง น, น่าเสียดายจริงๆและคงเป็นเพราะเหตุการณ์วุ่นวายในครั้งนั้นเธอถึงได้เลือกแต่งงานกับโจเตชางสีนะ ทางด้านเจ้าเฉินเองก็รู้สึกท้อถอนใจเช่นกันซูมานอินผู้หญิงคนนี้มีความอดทนสูงจริงๆต้องเผชิญกับเรื่องวุ่นวายในครอบครัวจนต้องลาออกจากมหาวิทยาลัยแล้วสามียังมาด่วนจากไปอีกเรื่องราวมากมายถาโถมเข้ามาขนาดนี้แต่เธอกลับไม่ยอมเอาเปรียบหลวงและยังยืนหยัดด้วยลำแข้งของตัวเองช่างเป็นคนที่หาได้ยากยิ่งนักซูมานอินกับเฉินเสี่ยวยาวถึงกับอึ้งไปเล็กน้อยดูเหมือนว่าปูมหลังของเจ้าของร่างเดิมจะรันทดไม่เบาเลยแฮะ วุฒิการศึกษาไม่ใช่ปัญหาหรอกนะสหายซูขอเพียงคุณเต็มใจประตูโรงงานท่อผ้าพร้อมเปิดต้อนรับคุณเสมอเดิมทีซูหมิ่ก็สามารถรับช่วงต่อตำแหน่งงานของโจเตอชางได้อยู่แล้วเรื่องนี้อย่างเวินจะวินยังพอจะตัดสินใจเองได้พอเจ้าเฉียนได้ยินเช่นนั้นก็เริ่มร้อนรนขึ้นมาผู้อํานวยการหยางครับความสามารถของสหายซูเห็นได้ชัดว่าเหมาะจะอยู่ทํางานที่สํานักงานเขตมากกว่านะโจเว่หมินกับซุนจิ๋วหลิงที่อยู่ข้างๆ ต, ต่างพากันยืนอึ้งแม่เล็กของพวกเขายอดเยี่ยมขนาดนี้เลยหรือ ทำไมผู้นำระดับสูงทั้งสองคนถึงได้เริ่มแย่งตัวกันต่อหน้าต่อตาแบบนี้ล่ะชินเสียวเย่เว่ยดึงมือซูมานอินเข้าไปใกล้แล้วกระซิบข้างหูว่าให้เธอแกล้งทำเป็นเก่งคราวนี้แกล้งเกินเบอร์ไปหน่อยไหมล่ะซูมานอินค้อนใส่เธอทีหนึ่งในใจของเธอยังมีแผนการอื่นอยู่ขอบคุณผู้นำทั้งสองท่านที่ให้เกียติค่แต่ตอนนี้ธุรกิจของฉันกับลูกสะพ้ยเพิ่งจะเริ่มต้นเรื่องอื่นฉันยังไม่กล้าคิดจริงๆค่ะซูมานอินกล่าวอย่างสงบ พวกเราคนรีบดำเนินการเรื่องพิธีชาปนกิจให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าค้าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเมื่อได้รับการเตือนจากซูมานอินผู้นําทั้งสองก็พลันได้สติขึ้นมาใช่ใช่ผมจะรีบไปรายงานเรื่องนี้กับทางอำเภอเดี๋ยวนี้แหละเจ้าเฉียนแย่งร่างบทความประชาสัมพันธ์กับสคริปต์คืนมาจากมือหยางเหวินเจวินผู้อำนวยการหยางของพวกนี้ต้องส่งให้ทางอำเภอถ้าคุณอยากได้ล่ะก็รออ่านตอนที่ข่าวออกมาแล้วกันนะเขาบอกให้ทุกคนรอสักครู่ส่วนตัวเองก็ออกไปจัดการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ส่งโทรสารข้อมูลทั้งหมดไปที่อภอภ เสี่ยวซูคุณจะไม่ลองพิจารณาเรื่องมาทํางานที่โรงงานจริงๆหรืออย่างเวนจะวินเสียดายคนมีความสามารถจริงๆหลังจากโจเตชางเสียชีวิตไป็นพนักงานบัญชีคนใหม่ที่โรงงานรับเข้ามาแม้จะทํางานล่วงหน้าทุกวันแต่ประสิทธิภาพก็ยังต่ํามากไม่ขาดตรงนั้นก็ผิดตรงนี้ดังนั้นคนมีความสามารถจึงสําคัญมากจริงๆคนที่มีวาทศิลป์และเขียนงานเก่งอย่างซูมานอินโรงงานท่ผ้าของพวกเขาต้องการตัวมากจริงๆ ฟางเชียนเองก็รู้สึกว่าสูมานอินเป็นคนเก่งหากเธอมาทํางานที่นี่เขาก็ไม่ต้องควบตําแหน่งประธานสหภาพแรงงานพร้อมกับเป็นเลขาธิการผู้อํานวยการโรงงานและฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงงานอีกต่อไปสหายูมานอินผู้อํานวยการอยางเห็นความสามารถของคุณจริงๆนะลองเก็บไปคิดดูให้ดีเถอะโจวเว่ยหมินไม่ได้พูดอะไรหากเป็นเมื่อก่อนเขาคงจะช่วยเกลี้ยกล่อมไปแล้วนั่นคืองานที่ได้นั่งในห้องทํางานแค่ขยับปากกาเขียนนิดหน่อยก็ได้เงินเดือนแล้วเป็นงานที่น่าอิจฉาขนาดไหนกัน แต่ตอนนี้เขาไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะแม่เล็กของเขาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแถมยังเป็นมหาวิทยาลัยเอชที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําอีกด้วยอาจารย์ที่โรงเรียนภาคเข้มยังจบแค่ระดับวิทยาลัยอาชีวะแต่ก็ได้ทํางานในอำเภอไห่เฉิงแล้วเช่นนั้นแม่เล็กของเขาก็ต้องเก่งกว่านั้นอีกมากแน่ๆซุนจิวหลิงไม่ปริปากผู้ตอนนี้เธอฟังเพียงคําสั่งของแม่น้อยเท่านั้น ชิ้นเสี่ยวเย่าได้แต่ทอดถอนใจพลางนึกในใจว่าผู้อํานวยการโรงงานอย่างเอย๋ยผู้อํานวยการโรงงานอย่างโรงงานท่ผ้าแห่งนี้จะประคองตัวไปได้อีกไม่กี่ปีหรอกซูมานอินยิ้มตอบอย่างเหวินเจวินและฟางเชียนฉันเคยบอกไปแล้วว่าจะไม่กลับไปที่โรงงานอีกหากกลับไปตอนนี้ไม่เท่ากับเป็นการตกหน้าตัวเองหรือคะซูมานอินกล่าวต่อฉันกับเสี่ยวเย่เว่และจิวหลิงทําธุรกิจกันนี่เป็นสิ่งที่รสัสงเสริมทั้งยังเป็นการอุทิศตนเพื่อแผนศรีธันสมัยถือเป็นอาชีพที่มีเกียรติมากเช่นกันค่ะ ผมไม่ได้บอกว่าไม่มีเกียรติเพียงแต่ผู้อํานวยการโรงงานหยางกล่าวอย่างเสียดายความสามารถระดับคุณแต่กลับต้องมาขายเจี๋ยมหมัวมันช่างน่าเสียดายความสามารถจริงๆผู้อํานวยการโรงงานหยางในเมื่อคุณให้เกียรติฉันถึงเพียงนี้เอาแบบนี้ดีไหมคะคุณช่วยออกบัตรพนักงานนอกอัตราของโรงงานท่ผ้าให้ฉันสักใบซูมานอินยิ้มพลางอธิบายหากวันหน้าทางโรงงานมีเรื่องอะไรอยากปรึกษาหารือกับฉันฉันจะได้ใช้บัตรนี้เข้าไปมีส่วนร่วมได้นั่นดีเลยครับเพียงแต่เรื่องค่าตอบแทนอย่างเวนจะวิ่งกล่าวอย่างจริงใจ จะให้คุณทํางานให้เปล่าๆได้อย่างไรเอาเป็นว่าดูว่าฉันจะสร้างผลกําไรให้โรงงานได้มากแค่ไหนก็แล้วกันแค่ฉันขอเพียงหนึ่งส่วนจากผลกําไรนั้นซูมานอินชะ ง, งักไปครู่หนึ่งแต่การตัดสินใจต่างๆยังต้องผ่านการประชุมหารือของโรงงานก่อนถึงจะดีที่สุดคะ่ะฮาฮาไม่มีปัญหาครับยางเหวินจะวินให้ความสําคัญกับคนเก่งอย่างซูมานอินมากเขามีลางสังหรณ์ว่าภายใต้ความช่วยเหลือของเธอโรงงานทอผ้าจะต้องกลับมารุ่งโรจน์อีกครั้งอย่างแน่นอน เจาเฉียนผลักประตูเข้ามาทั้งใบหน้าและฝีเท้าล้วนเปี่ยมไปด้วยความยินดีและตื่นเต้นสหายูน้อยทางอำเภอได้ดูร่างบทความและสคริปต์ของคุณแล้วต่างก็บอกว่าดีมากเลยล่ะครับจึงตัดสินใจว่าจะเริ่มกิจกรรมและถ่ายทํากันในสัปดาห์นี้เลยคุณพอจะมีเวลาไหมซูมานอินยิ้มพรางพยักหน้ามีค้าพูอานวยการเจ้าเวลาของพวกเรายืดหยุ่นได้แล้วแต่ทางท่านผู้นําจะกําหนดมาเลยค่ะเจ้าเฉียนยิ่งทวีความเลื่อมใสในตัวสูมานอินใช่แล้วมันคือความเลื่อมใส สหายซูคุณมีข้อเรียกร้องอื่นอีกไหมครับเจ้าเฉียนกล่าวอย่างใจกว้างคุณเสนอมาได้เต็มที่เลยอะไรที่ผมจัดการให้ไม่ได้ผมจะช่วยสะท้อนเรื่องไปยังทางอำเภอให้เองก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่เพียงแต่อยากถามดูว่าตอนนี้สุสานสาธารณะราคาที่ละเท่าไหร่หรือคะประมาณ 2- ถึงสามรอหยวนครับแต่สุสานของสหายโจเตอชางนั้นไม่ต้องเสียงเงินคุณไม่ต้องกังวลไปเจ้าเฉียนยิ้มตอบเปล่าวก็คือฉันอยากซื้อที่ดินสุสานเองนะคะสูม่านอินดึงมือฉินเสี่ยวเยไว้พลางกล่าว ถ้าซื้อสองที่มีส่วนลดไหมคะชินเสี่ยวเย่าตกใจจนใจสั่นสะท้านให้ตายเถอะยายเพื่อนรักเธอนี้มองการไกลเกินไปแล้วตอนนี้สองสาหยวนแต่อีก40ปีข้างหน้าสุสารสองที่นี้คงราคาพุ่งไปถึงสองส0 0แสนหยวนแน่ๆกำไรมหาศาลชัดๆสองเพื่อนรักต่างคิดถึงเรื่องการได้กำไรก้อนโตทว่าคนอื่นๆในห้องกลับมองทั้งสองด้วยสายตาเห็นอกเห็นใจ สิ่งที่หยางเหวินจวินและเจ้าเฉียนคิดก็คือสหายหญิงสองท่านนี้มีอุดมการณ์สูงส่งจริงๆถึงขั้นขานรับนโยบายล่วงหน้าขนาดนี้ไม่ได้การต้องช่วยพวกเธอขอส่วนลดเพิ่มให้ได้ส่วนโจว้วหมินและซุนจิวหลิงต่างก็รู้สึกปวดใจพวกเขาคิดว่าแม่น้อยคงยังตัดใจจากคุณพ่อไม่ได้ถึงขนาดอยากจะอยู่ร่วมสุสานเดียวกันแม้ในยามที่ตายไปแล้วแลยมีเสี่ยวเย่เว่อีกช่างน่าสงสารเหลือเกิน